ไม่รักมากอย่างนี้ก็คงไม่มีคำสัญญาว่าจะมาขอรากรทำาำงานต่างตารอเพื่อจะมาขอนองไปอยู่ด้วยกันสักทีแต่มาได้รู้ข่าวของน้องต้องถูกจับ พอน้องก็คงยกให้โดยดีแม่คงสุขีได้ลูกเคยมีตังคงเหมือนข้างโคกที่อยากขึ้นวอวาสนาไม่พอพอเลยเป็นฝ่ายผิดหวังป่านนี้น้องคงดีใจเสียจัง ลืมความลางของเราที่เคยสัญญาอยากให้มันเป็นเพียงฝันรายพอตื่นเมื่อไรมีน้องเคียงให้คนอิจฉาแต่แล้วก็คงเป็นธรรมดารักแค่นานๆยังแค่อนอยู่ตลอดไป ว่างอนนี้น้องคงดีใจเสียจังคงลืมความลางของเราที่เคยสัญญาอยากให้มันเป็นเพียงฝันร้ายพอตื่นเมื่อไรมีน้องเคียงให้คนอิจฉาแค่แล้วก็คงเป็นธรรมดา รักแทอน่าย่างแพ้เงิน